มงกุฎไพรเล่มหนึ่งตอนที่182ระหว่างที่คนอื่นๆยังอยู่ในภาวะตื่นเต้นและงงงันไปชั่วขณะคริสติน่าผู้รับฟังอย่างสงบเฉยมาตลอดเวลาหันไปถามบุญคำเบาๆว่าบุญคำยืนยันในสิ่งที่จันได้พูดมาแล้วนี้ใช่ไหมจันพูดความจริงแหม่คริสก็เดี๋ยวใครสงสัยจะลองดูก็ได้จะได้เห็นชัดๆ แล้วเลิกคิดจะไปตีประกบคู่นายรพินสถีบอกแล้วว่าเสียเวลาเปล่าคนที่จะเดินตามนายรพินได้ทันจะต้องมีอาคมเท่าเทียมกันพวกบุญคําเองเป็นลูกศิษย์แกมานานแกยังก็ยังตามแกไม่ทันเลยแกก็ไม่เคยถ่ายทอดวิชาให้สักทีถามแกแกก็บอกว่าไม่มีอะไรนายรพินเป็นคนมีของดีอยู่กับตัวมากแต่ไม่เคยบอกให้ใครรู้ ไม่เคยอวดตัวกับใครพวกเราจับเคริรู้ทันแกได้ก็อาศัยที่อยู่ก็แกมานานได้เห็นได้สังเกตมาตลอดแล้วบุญคาก็ยังยืนยันในข้อที่จัน์พูดว่าในป่าแล้วหากระพินเป็นผู้นำทางต่อให้ระยะทางจะไกลสักแค่ไหนเขาก็สามารถจะนํานำทางไปให้ถึงได้ด้วยการเดินทางด้วยเท้าคริสเน้นเสียงถามมาอีก ถ้าป่ามันกินแดนติดต่อกันไปจนถึงอเมริกาบ้านเมืองแหม่มคริสโดยไม่ต้องเดินผ่านลงไปในทะเลบุญคำก็รับรองว่านายรพินพาแหม่มคริสโผลถึงอเมริกาเลยในเวลาเพียงแค่ไม่เกิน 2-3 สเดือน ท, ทั้งทั้งที่ถ้าเป็นการเดินจริงอาจต้องเดินกันทั้งชาติเลยถ้าไม่จริงอย่างไอคำว่านี่ก็ขอให้ฟ้าผ่าหัวลิงสิเอา้าแกมีวิชารัดทาง ตัดทางได้จริงๆไม่เชื่อก็แล้วไปแกบอกมาอย่างขึงขังแต่ซ่อนแวว ล, ล้อเลียนกรล่อนไว้อย่างไม่สู้จะมิดชิดนักถ้างั้นก็วิเศษสุดความหวังของเรามีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแล้วถ้าเขาใช้วิชาที่เหลือเชื่อชนิดนี้จริงมีหน้าละ่ะถึงเดินตามไม่เคยทันสักทีถ้าเขาไม่หยุดรอให้เอาละใครอยากจะทดสอบประสิทธิภาพในข้อนี้ของเขาดูบ้างละ่ะ ฉันจะวิทยุให้เขาหยุดรอเผื่อว่าคนที่อยากจะทดสอบจะได้เดินตามขึ้นไปให้ทันไม่ต้องวิ่งตามไปให้เหนื่อยแรงหรอกเอาแค่ให้เขาหยุดแล้วเราก็เดินตามเขาไปให้ทันหลังจากนั้นค่อยไปเดินคู่กับเขาก็แล้วกันโดยบอกให้เขาเดินไปตามสบายซึ่งเราจะเดินตามเขาให้ทันและได้สังเกตดูด้วยขาแต่ละข้างของเขาก้าวออกไปในลักษณะไหนอย่างไร คริสเอ่ยขึ้นกับพักพวกทุกคนยิ้มยิ้มเหมือนจะประกาศหาอาสาสมัครทดลองในเรื่องนี้สแดนลี่คีดและอิซาเบลพยักหน้าเห็นด้วยทันทีคงมีแต่เชิดวุธเท่านั้นที่ไม่แสดงอาการอย่างใดเมื่อนั้นแม่ผมทองจึงปลดวิทยุจากเข็มขัดขึ้นมากรอกคำพูดลงไปโรพินคุณสแตนบายเครื่องไวหรือเปล่าอึดใจเดียวทุกคนก็ได้ยินเสียงคาตอบออกมาจากวิทยุเครื่องของคริสครับ มีอะไรข้างหลังหรือผมได้ยินเสียงเรียกชัดเจนดีมากกรุณาหยุดรออาจารย์คิตแล้วเบลสักครู่ได้ไหมกําลังจะเร่งฝีเท้าตามขึ้นไปอาจารย์มีเรื่องที่จะหาหรือคุณในขณะ น, นี้ตกลงครับตามขึ้นมาได้ผมจะหยุดรอบนเนินรูปหลังเต่าข้างหน้านี่เสียงตอบรับมารีบเรียบคริสอมยิม้มพยักหน้ากับคณะของหลอนและเพื่อนอีกสองคนโดยเฉพาะเบลหลอนตบไหลเบาๆบอกว่า ไปสิเขากำลังรออยู่แล้วรับรองว่าทางด้านนี้เราจะไม่กระตกกระตากอะไรให้เขารู้ร่วงหน้าว่าพวกเราทั้งสามคนจะขอเข้าไปทดสอบอะไรเขาพอไปถึงแล้วก็ให้ชวนกันออกเดินต่อแล้วตามเขาให้ทันไปทุกระยะไม่ต้องห่วงทางด้านหลังทุ่งโลง่งมองเห็นกันอยู่ทุกระยะพวกเราจะตามไปเรื่อยๆในสภาพปกติอ้าวแล้วเธอกับวูดไม่ไปด้วยหรือคริส สันสีสะยยังคงยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นไม่หรอกฉันจะไปกับขบวน ล, ลูกหาบและพรานพื้นเมืองพวกนี้ฉันก็เหมือนกันเชิญทั้งสามคนตามสบายก็แล้วกันนะเชิญวูดบอกมาอีกคนอย่างไม่อยากเสียเวลาเปล่าเมื่อนั้นสแตนลีย์คีดและเบลจึงชนกันเร่งฝีเท้าเดินจ้ำพรวดล้ำหน้าขบวน ล, ลูกหาบที่รวมกลุ่มกันอยู่เพื่อตรงไปยังร่างของรพินซึ่งขณะนี้ขึ้นไปยืนจุดบุรีสูบรออยู่บนเนินลูกหนึ่งในทันที พอทั้งสามทิ้งห่างออกไปบุญคําก็หันมายิ้มเห็นเหงือกแดงกับเชิดวุฒิและคริสดีแล้วที่นายทหารกับแมมคริสไม่ไปกับพวกนั้นด้วยจะได้เหนื่อยเปล่าฮคริสคว้าคอบุญคํำมาแล้วลากแกให้มาเดินอยู่ใกล้ๆตรงกลางระหว่างตัวหล่อนกับเชิดวุฒิกระซิบนึกว่าฉันจะไม่รู้ทันในความกะล่อนของเรางั้นหรือบุญคําโอ้ยแมมอย่าลอกคอสิไอ้คํากระเดื่องจะแตกอยู่แล้ว เรียวแรงยังก็ยักขมูขีปล่อยไอ้คําเหอะไม่ปล่อยลูกไม้จัดนักบุญคําหลอกสามคนนั่นได้แต่หลอกฉันไม่สำเร็จหลอกท่อท่อท่อแม่มจ๋าก็แค่หลอกให้นายห้างบ๊อบนายห้างคิดแล้วก็แม่มเวลได้ออกกำลังกายกันมั่งเท่านั้นเห็นเดินเอ้อระเหยโอเออยู่โอ้ยนายทหารช่วยไอ้คาด้วยแมมจะบีบกระเดือกไอ้คาแตกแล้วเชิดวุหน้าตื่น เห็นคริสติน่าเอาแขนล็อกคอบุญคำลากเดินไปเท่านั้นก็เลยตรงเข้ามากระชากออกจันเกิดและเสยผู้เดินตามมาข้างหลังพากันหัวรอบครึนอะไรกันคริสไปล็อกคอลุงคำแกทำไมเขาถามอย่างพาซื้อดึงบุญคำมาไว้อีกข้างหนึ่งขณะที่แกกำลังไอแคกๆแม่ผมทองซ่อนยิ้มตะบดหางตาคมปราบผ่านใบหน้าตาเท่าอย่างกึ่งเอ็นดูกึ่งหมันไส คุณก็พลอยโง่ไปอีกคนนี่คงเชื่อแก่อย่างสนิทสินะว่ายอดชายนาะยรพินของคุณนะ่ะเป็นผู้วิเศษสามารถย่นระยะทางได้รู้ไว้สิมั่งสิว่าตกคําแกหลอกเรื่องเดินตามเขาไม่ทันนะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วรพินเดินป่ามาตลอดชีวิตพวกเราเดินมาแค่ไหนเราจะไปเดินทันเขาได้ยังไงในเมื่อเขาสามารถจะซอยเท้าให้เร็วกว่าเราเพราะประสบการณ์ความชํานาญที่เหนือกว่าหลายเท่าตัว ขาแข็งกว่ากำลังอยู่ตัวกว่าไปเดินแข่งกับเขาถ้าเขาไม่หยุดรอให้มันก็ต้องตามเขาไม่ทันวันยังค่ำนั่นแหละอีกหน่อยตาคาคงบอกว่ารพินจะพาพวกเราเหาะข้ามภูเขาคุณก็คงเชื่อสินะอา้าวแล้วกันเชิดวุดครางดังลั่นหันไปมองหน้าบุญคํากับจันซึ่งทั้งสองบัดนี้เผ่นออกไปนอกรัศมีที่จะเอื้อมมือคว้าได้โดยทั้งคู่พากันไปเดินลอยหน้าเฉบเฉบ เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในที่สุดเชิดวุฒก็หัวเราะออกมาจนตัวงออย่างชอบอกชอบใจในความขี้เล่นของสมุนขวาซ้ายของระพินทางด้านสแตนลีย์คีดและอิซาเบลผู้เร่งฝีเท้าตัดหน้าขบวนลูกหาบมาซึ่งต้องออกกำลังกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้เข้าถึงระพินก่อนพวกนั้นจนเกือบจะเป็นอาการวิ่งเหาะซึ่งก็ไม่ทาให้ล้าหน้ากลุ่มลูกหาบ และพักพวกที่เดินตามมาเบื้องหลังในสภาพปกติสักเท่าใดนะักพอเข้ามาถึงพรานใหญ่ผู้นั่งดูดบุหรี่แดงว่าบวาบรอคอยอยู่ก่อนแล้วทั้งสามก็หอบจนตัวโยนเหงื่อท่วมไปหมดเกิดอะไรกันขึ้นครับนี่ทำไมต้องเร่งรีบตามผมมาแบบนี้ด้วยความจริงเดินมาเรื่อยๆตามสบายพร้อมกับพวกนั้นก็ได้ผมหยุดรออยู่แล้วตามคาสั่งรพนถามเรียบ ขณะที่เลิกคิวขึ้นอย่างสงสัยทั้งสามยิ้มให้เขาแต่ยังพูดอะไรไม่ออกในขณะนั้นก่อนพานกันยืนหายใจแรงๆเช็ดเหงื่อตามลำคอและใบหน้าอยู่พรานใหญ่หัวเราะเบาๆพยักหน้าบอกต่อมาอย่างปราณีว่าถ้าเหนื่อยนักก็พักเสียก่อนเถิดครับรอพวกเราให้เดินมาถึงพร้อมๆกันเสียก่อนแล้วค่อยไปต่อก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเราออกเดินไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เบลแข็งใจบอก อย่างอ้าปากหายใจยอยู่เช่นนั้นเดินเข้ามาตบไหลเ่เขาผู้นั่งเฉยอยู่อย่างไม่มีปฏิกิริยาว่าจะขยับขยื่นไปนำต่อเราจะเดินไปพร้อมๆกันระพินมองหน้าทาั้งสามไปทีละคนอย่างรวดเร็วด้วยความฉงนเพราะไม่ทราบอะไรมาก่อนแปลกจริงมีอะไรเร่งด่วนเป็นพิเศษหรือครับ ที่พวกคุณทั้งสามคนพยายามจะตัดหน้าพักพวกแล้วก็ออกแรงเดินกันแทบจะเป็นวิ่งตามผมมาแบบนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนเหนื่อยมากทีเดียวพักสักครู่เถอะครับมันยังไม่มีความจะเป็นอะไรที่จะต้องเหนื่อยกันถึงขนาดนี้เราไปกันเรื่อยๆไม่มีการเร่งรีบสงวนพลังงานไว้เอาไว้มีอะไรฉุกเฉินเสียก่อนค่อยออกแรงกันให้เต็มที่กล่าวจบเขาก็หัวเราะอยู่ในอาการเดิมยังพาซื้ออยู่เช่นนั้น เพราะไม่รู้ในจุดมุ่งหมายของฝ่ายนายจ้างทั้งสามในข้อที่ว่าต้องการจะมาพิสูจน์อะไรในเรื่องการเดินทางของเขาืมเหนื่อยจริงๆว่ะกว่าจะห่อมาให้ทันตรงที่นายหยุดรออยู่ตรงนี้นายคิดเป่าลมพูออกจากปากป้ายหลังมือเช็ดเหงื่อเม็ดโตๆบนใบหน้ายิ่งตะวันแรงจัดขึ้นเพราะใกล้เที่ยงอากาศบริเวณกลางทุ่งอันปราศจากลมก็ยิ่งระอุ ไม่ว่าร่องรอยชุ่มฉ่ำของสายฝนหนักเมื่อหัวรุ่งนี้จะยังปรากฏอยู่บนพื้นทั่วไปก็ตามน้ำแฉะที่เปียกอยู่ตามพื้นถูกเปลวแดดเผาระเหยไปเป็นไอขึ้นมาและะยีบระยับลานตาไปหมดแต่เราสามคนนี่ก็ไม่รู้โง่เซ้อหรือบ้าที่พยายามแล่นตามนายมาให้ทันแบบนี้ว่าแต่นายเถอเดินเดินอยู่ด้วยกันแท้ บทจะตัดหน้าขึ้นมาก็ทิ้งเสริปลิ้วแบบนี้นายไม่เหนื่อยมั่งหรือรพินยิ่งงงเพิ่มขึ้นขมวดคิ้วกระพริบตาติดๆจ้องหน้าคิดสีหน้ายัางยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นแล้วใครใช้ให้นายกับด็อกเตอร์และเบลตามฉันมาแบบนี้ล่ะเราติดต่อกันได้อยู่แล้วทางวิทยุสงสัยอยากจะถามอะไรก็วิทยุพูดกันได้นี่นาเอาหน้าลุกขึ้นแล้วเดินคุยไปด้วยกันก็แล้วกัน หรือคุณจะเดินตามปกติธรรมดาของคุณไปก็ได้เราสามคนจะพยายามเดินไปพร้อมๆกับคุณมีเรื่องโง่ๆอะไรขึ้นอีกนี่จอมกกุเทสก็จุปากเบาๆมองหน้าเวลกึ่งขันกึ่งสมเพศแล้วหันไปทางหัวหน้าคณะเหมือนจะถามเห็นสแตนลีย์ถอนใจเฮือกยอมสุดตัวลงนั่งบนแง่หินที่โผล่พ้นดินขึ้นมาตรงหน้าเขาคลางออกมาใช่ มีเรื่องโง่ๆเกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีเหมือนกันเรากำลังทดสอบฝีเท้าของเราว่าถ้าต้องการจะเดินตามคุณให้ทันจริงๆเราจะทำกันได้ไหมเอาละคุณอย่าไปสนใจอะไรเลยไม่มีเรื่องเร่งด่วนอะไรหรอกสําหรับฝ่ายผมเพียงว่าวันนี้ผมอยากจะลองกำลังของเบลดูเท่านั้นว่าแข็งแรงดีเพียงไหนก็เป็นผลที่พอใจผมกับคิด กว่าจะเดินทิ้งกลุ่มของเราและตามคุณมาถึงที่นี่ล่วงหน้าก่อนพวกนั้นก็เล่นเอาหอบแต่ดูเบลเหมือนจะยังไม่เหนื่อยอะไรมากนะักใครบอกอาจารย์คะฉันเองก็เข้าอ่อนแทบลงนอนอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเหมือนกันเบลบอกมาปนหัวเราหอบหอบยืนสูดลมหายใจลึกๆตากวาดมองออกไปยังทิวป่าธรามนอันมองเห็นอยู่เป็นแนวไม่ไกลนะักขวางกั้นอยู่เบื้องหน้า ส่วนคีดเปิดกระติกน้ำออกมากรอกใส่ปากแล้วเปิดหมวกออกเทรถหัวให้มันไหลชุ่มมาตามใบหน้าและลำคอพร้อมทางสะบัดรกระจายเป็นฟอยผมไม่เข้าใจพวกคุณนึกยังไงขึ้นมานี่แล้วเชิดวูดกับคริสติน่าล่ะไม่ได้มาด้วยหรือรพินถามอย่างอารมณ์ดีดีดก้นบุหรี่ลงกับพื้นแล้วใช้ปลายรองเท้าเหยียบดับ มือหนึ่งเอื้อมไปกระตุกแขนเบลซึ่งยือนอยู่ใกล้ๆ ใ, ให้ซุดลงมานั่งพักใกล้ๆเขาแล้วพยักหน้ากับคิดบอกง่ายๆอีกครั้งว่านั่งคิดไม่ต้องยืนหอเป็นควายอยู่แบบนั้นหรอกนายคิดจึงยอมแพ้สุดตัวลงนั่งราบกับพื้นเขาถามถึงเชิดวุฒและคริสอีกครั้งพันเอกแห่ง US a r ส y จึงหัวเราะ ก, กา ก, กบอกมาว่าสองคนนั่นฉลาดที่จะไม่ยอมเหนื่อยโดยไม่จาเป็น ก็เลยไม่บ้าเลือดที่จะตามนายมาให้ถึงที่นี่แปลว่าอะไรก่อนที่คิดจะเ อ, อ่ยอะไรออกมาสเตลลี่ก็ถามเปลี่ยนเรื่องมาเสียว่าคุณตั้งใจจะตัดเข้าดงนั่นทางด้านไหนรพินชี้มือประมาณ30องศาเหนือจากตำแหน่งที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละครับสภาพจะเป็นป่าดึกดําบรรและทึบมากแต่ผมเข้าใจว่ามันคงไม่ทึบตลอดไปหรอก น่าจะมีส่วนที่เป็นป่าโปร่งและทุ่งซ่อนอยู่ในฉากบางของไม้ใหญ่ที่เราเห็นอยู่นี่แต่อาจต้องใช้เวลาบุกบั่นกันนานพอสมควรก่อนจะพบสภาพป่าที่เปลี่ยนแปลงไปและข่าของวันนี้เราคงไม่ผ่านดงทึบแน่นอนคงต้องพักกันกลางดงนั่นแหละแล้วเขาก็ตั้งปลายลำกล้องไรเฟิลขึ้นฟ้าสังเกตดูเงาแดดที่บังลำปืน ทอดไปปรากฏอยู่กับพื้นโกรดผสมหญ้าและวัชพืชเล็กๆที่ขึ้นปกคลุมอยู่ในบริเวณนั้นกล่าวต่อว่าผมเชื่อแน่ว่าทุกคนคงยังไม่หิวกันนะักเพราะวันนี้เราเริ่มต้นเดินทางสายจัดแล้วพักครึ่งวันของวันนี้ผมอยากจะยืดเวลาออกไปเป็นสักบ่ายสองหวังว่าคงไม่ขัดข้องเพราะานี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วถ้าหยุดแค่เที่ยงเราจะใช้เวลาเดินเพียงแค่ชั่วโมงเศษเท่านั้น ได้พักกินอาหารมื้อที่สองเวลาบ่ายมากๆก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องถือเวลาเที่ยงต้องพักหรอกวัวหน้าคณะบอกออกมาอย่างไม่มีปัญหาอะไรแล้วถามต่อว่าคุณมีแผนการเดินทางยังไงต่อไปบอกให้รู้ไว้บ้างก็ดีว่าจะไม่ถามแล้วแต่ก็ อ, อดไม่ได้ดีครับสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยบอกได้ผมจะบอกพรานใหญ่พูดด้วยน้าเสียงเป็นกันเอง แววตาและอาการของเขาสร้างความอบอุ่นและไว้วางใจแก่เหล่านายจ้างเพิ่มขึ้นทุกขณะนับวันเวลาที่ผ่านไปเขาดึงมีดโบวีประจำตัวออกมาจากฝักแล้วกรีดวาดลงกับพื้นตรงหน้าให้ทั้งสามคนเห็นในลักษณะแผนที่คร่าวๆเบื้องหลังป่าดิบที่ขวางหน้าเรานี่ออกไปจะบ่ายหน้าขึ้นเหนือไปเรื่อยๆพื้นภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงมีระดับสูงจากน้าทะเลขึ้นไปตามลาดับ ถ้าผมคาดไม่ผิดมันจะมีทิวเขาใหญ่อยู่สองทิวด้านหนึ่งเลื้อยมาจากด้านตะวันออกและอีกทิวหนึ่งเลื้อยมาจากด้านเหนือมุมลาดต่ำเข้ามาซ้อนกันในตำแหน่งมุมเทเราจะตัดเข้าทางมุมเทของทั้งสองทิวนั้นแล้วจะวกอ้อมขึ้นเหนืออีกซึ่งควรจะเป็นจุดหมายที่ผมเคยผ่านมาแล้วโดยแผนที่โบราณที่ผมมีอยู่ระบุชื่อไว้ว่าทิวปีครุด นั่นคือเป้าหมายในอันดับแรกของการเดินทางในช่วงนี้ของเรานายเอาอะไรเป็นแนวทางนำทางเพราะไม่เห็นใช้แผนที่เลยระยะนี้คิดถามเริ่มคลายเหนื่อยลงบ้างแล้วเพราะการได้นั่งพักแผนที่จำเป็นในบางขณะเท่านั้นไม่ต้องเมากางดูกันให้เสียเวลาทุกระยะไปฉันเดินโดยแสงตะวันที่ชี้ทิศทางให้ เดินจากสัญชาตยานที่เคยผ่านสถานที่มาก่อนแล้วและเดินด้วยสัมผัสที่หจะใช้เวลาสักเท่าไรในการเดินไปยังทิวปีกครุดอนันเป็นเป้าหมายในช่วงนี้ผู้อาวุโสที่สุดในคณะถามมาบ้างอย่างรวดเร็วไม่ควรต่ำกว่าเจ็วันและอย่างช้าไม่เกิน1ิบวันถ้าเจ็วันก็เกินกำหนดที่เราตกลงกันไว้ลืมหรื อ, อยังที่เราบอกกับคุณไว้ว่าหากเจ็ดวัน ยังไม่ได้ระแคะระคายอะไรเราควรายหน้ากลับได้แล้วสแตนลี่เพ่งตาสีฟ้าขรึมจับนิ่งมาที่เขาระพินเอามือขยี้ริมฝีปากช้าๆแล้วกล่าวแผ่วต่ำถ้าเจวันก็แปลว่าควรจะต้องระแคะระคายอะไรในเป้าหมายบ้างแล้วครับคือถ้าเราพบทิวปีครุฑเมื่อไรก็หมายถึงว่าเส้นทางที่จะไปถึงเทือกพระศิวะปรากฏให้เห็นแล้ว และเทือกพระศิวะนี่แหละที่ผมแน่ใจว่าเครื่องบินระเบิดมหาปลายของพวกคุณตกอยู่ที่นั่นแต่ถ้าไม่พบทิวปีครุฑผมยอมนำกลับคำพูดของเขาทำให้สแตลลี่คิดและเบลนิ่งงานกันไปพักใหญ่เอาละสมมุติว่าเราถึงทิวปีครุฑอันเป็นเป้าหมายแรกที่คุณตั้งความหวังไว้เบลเอ่ยขึ้นช้าชชัดเจน เราจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ถึงจะเข้าถึงเทือกพระศิวะอีกไม่เกินเจ็ดหรือสิบวันเป็นอย่างสูงแน่ใจหรือหัวหน้าคณะถามโดยเร็วอย่างคาดคั้นแน่ใจในที่สุดคุณก็เพิ่งจะมาเปิดเผยเอาเดี๋ยวนี้เองว่าคุณต้องการนำพวกเรามุ่งเข้าสู่ดินแดนที่คุณเคยไปติดตามคนหายมาก่อนแล้วนั่นเองเบลุธานออกมาด้วยเสียงแหลมสูง รพินขีดปลายมีดโบวีลงไปที่พื้นกรวดปนดินเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ทับครอมอยู่บนสองเส้นที่เขาลากมาบรรจบกันไว้ก่อนแล้วบริเวณนี้เปรียบเหมือนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่แทนที่จะอยู่ในท้องทะเลมันกลับอยู่บนเทือกเขาถ้าคุณสำรวจทางอากาศคุณจะมองไม่เห็นอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างที่เราเดินอยู่กับพื้นดินเลยบริเวณดังกล่าวเปรียบเหมือนโลกอีกโลกหนึ่ง แยกต่างห่างออกไปจากโลกของภูมิศาสตร์ปัจจุบันการเวลาและทิศทางจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งไม่เกี่ยวกับโลกที่เรารู้จักกันเลยผมจะพาพวกคุณไปให้เห็นกับตาเพื่อจะได้รับรู้และบันทึกไว้ในความทรงจำไปช่วยชีวิตในสิ่งที่คุณพบเห็นแต่ไม่อาจจะไปบอกเล่าให้ใครฟังได้เพราะคนฟังจะบอกว่าพวกคุณเพอ้อพกเป็นบ้าไป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 ที่พูดกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแบบนี้สแตนลีย์ว่าสีหน้าแสดงความพอใจแต่คุณแน่ใจว่าเครื่องและระเบิดไปตกอยู่ในดินแดนแห่งความฝันนี้หรือร0อเอร์ซ์จอมพรานพูดด้วยน้ำเสียงปกติหน้าตาเฉยไม่ส่อความรู้สึกอะไรให้ทั้งสามสายตาที่จ้องสารวจเปงอยู่ในขณะนี้อ่านความหมายใดๆออกทำไมถึงเชื่อมั่นเช่นนั้น เพราะมันได้หายไปอย่างลึกลับจนวิทยาการก้าวหน้าสูงสุดของพวกคุณไม่อาจตามพบได้ถ้ามันไม่หลงไปในดินแดนแห่งนี้มันก็ต้องถูกค้นพบไปนานแล้วนี่คือเหตุผลของผมวันนี้เราพูดกันอย่างเปิดใจเลยไม่มีอะไรรับลมซ่อนเงื่อนให้คุณต้องคอยคิดคลางแคลงใจอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับทิศทางการนาของผมซึ่งพวกคุณพยายามจะเค้นออกมาให้ได้ นี่ผมบอกให้แล้วไม่ปกปิดอมพนามอีกต่อไปคุณคิดว่าคุณจะไปได้ถึงอีกครั้งหนึ่งหรือในแดนสุนทยาแห่งนั้นเบลเน้นเสียงถามจ้องตาขม็งผมไม่กล้าให้คำรับรองเพราะความตายความพินาศรอคอยเราอยู่ทุกขณะจิตก็ได้แต่พูดว่าจะพยายามจำไว้ว่าผมจะพยายามตามที่เราทราบ คุณเคยใช้ลายแทงในอดีตแต่มาคราวนี้คุณไม่ได้แกะเส้นทางมาจากลายแทงนั้นเลยคำถามของนายจ้างเริ่มเข้าสู่ภาวะจริงจังและเครื่องเครียดรพินไพรวันใช้ปลายนิ้วเสรยปีกหมวกขึ้นไปกองอยู่กลางศรีรษะตายังจับมองอยู่ที่เส้นซึ่งเขาขีดคร่าวๆวไว้บนพื้นประกายตาคู่นั้นคมลึกถูกต้อง ผมไม่ได้ใช้ลายแทงเป็นเครื่องนำทางแต่ต้นแต่กำลังใช้ประสาทที่6อย่างที่บอกแล้วตัดเข้าหาจุดหมายตามลายแทงในเส้นทางตอนปลายระยะคือทิวปีครุดถ้าพบทิวนี้เมื่อใดก็แปลว่าผมคำทางได้ถูกต้องโดยไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราฉีกเส้นทางออกมาลิบแล้วจะย้อนไปคาทางใหม่ที่ห้วยเสือร้องหรือหล่มช้างย่อมไม่ได้ ถ้าทำอย่างนั้นทั้งผมและพวกคุณกลับบ้านกันดีกว่าโดยลายแทงจากคำบอกเล่าของคุณเห็นบอกไว้ว่าต้องตรงกับฤดูการให้พอเหมาะพอดีไม่ใช่หรือจึงจะมองเห็นเส้นทางตัดขึ้นเทือกพระศิวะแต่ที่เราเดินทางกันมานี่มันไม่ตรงกับข้อกาหนดของลายแทงซึ่งปีหนึ่งมีอยู่เพียงคืนเดียวเท่านั้นอเมริกันอวุโสยิงคาถามมาอีกพรานใหญ่หรีตาลง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 แต่มันก็ต้องประกอบกับโชคด้วยในครั้งนี้ให้มันรู้ไปว่ามองเห็นเทือกเขาพระศิวะอยู่ข้างหน้าแล้วผมนำเข้าเมืองรับแลแห่งนั้นไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่กว่าจะเดินทางมาถึงมันก็ผ่านอุปสรรคแสนยากมากกว่าหลายร้อยพันเท่าถ้าเห็นเทือกเขาพระศิวะแล้วผมยังนำเข้าไปไม่ได้ก็ตายเสดี ก, กว่าประโยคสุดท้ายสุดสิ้นลงพร้อมกับมีดในมือของเขา ปาลงไปปักเดอยู่ใจกลางรูปสามเหลี่ยมที่ขีดไว้กลางพื้นดินแล้วคนของนายทั้งสี่คนรู้แล้วหรือยังว่านายจะมุ่งไปที่นี่คีดถามขึ้นท่ามกลางความเงียบงันที่เข้ามาขั้นชั่วขณะจิตรู้พวกนั้นว่าไงมั่งไม่มีปัญหาอะไรฉันสั่งให้เข้าไปไหนเขาก็ไปที่นั่นแม้แต่ให้ไปสู่ความตายเพราะเขารู้ว่าฉันจะยอมตายก่อนพวกเขาเสมอ ฉันไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องมีความรักและเสียสละให้แก่พวกเขาทุกคนเหมือนพ่อจะพึงมีให้แก่ลูกเรื่องนี้นายไม่ต้องห่วงหรือคิดสงสัยว่าคนฝ่ายฉันจะเกิดขวัญเสียหรือท้อถอยขึ้นสำคัญฝ่ายนายปรับจิตใจไว้ให้ดีก็แล้วกันวิเศษมากแต่อยากจะรู้ว่าอะไรนะที่ทำให้นายเป็นคนซื่อตรงและจริงจังต่อหน้าที่ถึงเพียงนี้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 ชีวิตคนเรามีทางเลือกอยู่สองทางเท่านั้นคือเป็นกับตายผมไม่เคยท้าทายพระเจ้าแต่ผมกล้าท้าทายชะตาชีวิตของตัวเองแล้วก็ฝากชีวิตให้อยู่ในกามือของพระเจ้าสุดแต่ท่านจะ ก, กำหนดแต่ผมก็ไม่ประมาทในทุกสิ่งและพยายามทำให้ดีที่สุดเสียก่อนหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็สุดแต่พรหมลิขิต แม่ผมแดงส่งมือมาให้เขาพร้อมรอยยิ้มละไมยอยู่เช่นนั้นระพินมองหน้าเหมือนจะถามว่าขอจับมือเรื่องอะไรแต่หล่อนพยักหน้าอีกครั้งจึงยื่นมือไปให้หล่อนจับบีบแน่นกระชับและไม่ยอมปล่อยอยู่นานปากก็พูดว่าฉันเชื่อว่าคุณสามารถนําเราไปได้สําเร็จแน่นอนขอบคุณที่เชื่อมั่นและให้เกียรติไม่เพียงแต่เบลเท่านั้นพวกเราทุกคนก็เชื่อมั่นเช่นนั้น สตนลีย์เสริมมาหนักแน่นอีกคนหนึ่งส่วนคีดโอบแขนมากอดเขาแน่นกระชับและตบที่ไหล่อีกข้างหนึ่งหนักแรงนายมันยอดคนจริงๆวะ่ระรพินเห็นสารรูปนายครั้งแรกฉันไม่เคยเชื่อถือเลยพับผ่าเฮเบลช่วยบอกถึงความโง่ของพวกเราสามคนที่พยายามเดินตามเขาขึ้นมานี่หน่อยซิว่าพวกเราตั้งใจยังไงไวแต่แรกอิซาเบลหัวราคิกๆ สะบัดผมที่ปลิวลงมาปลกที่หน้าผากแล้วใช้ผ่านท้าย M16 กระทุ้งมาเบาๆที่หน้าแข่งเขาต่อไปนี้เป็นการเปิดเผยความโง่ครั้งที่หนึ่งไม่เกี่ยวกับอาจารย์หรอกนะเป็นความโง่ของชันเองรวมทั้งคิดที่พลอยถูกหลอกให้โง่มาด้วยคือชั้นสงสัยอยู่เท่าแล้วเท่ารอดว่าเวลาเดินป่าคุณเดินยังไงนะพวกเราจึงเดินตามคุณไม่ทันสักครั้งถ้าคุณยังไม่อยากจะให้เราตามทัน ช่วยบอกคลสักนิดเถอะเห็นเดินเดินอยู่ด้วยกันดีๆคุณก็เริ่มทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆทั้งๆ ท, ที่คุณก็ไม่ได้วิ่งหรือว่ามีขาที่ยาวกว่าพวกเรามันแปลกมากพรานใหญ่ขมวดคิ้วจุ ป, ปากเบาๆอีกครั้งอุสาวิ่งตามขึ้นมานี่ก็เพื่อจะถามเรื่องไร้สาระแค่นี้เองหรืออาจารย์มีเรื่องที่จะถามคุณเกี่ยวกับเส้นทางเดินวันนี้ ส่วนฉันตามมาด้วยก็อยากจะถามคุณในเรื่องรายสาระนี่แหละตปิดโอ้พ p ีสพวกคุณเป็นคนแข็งแรงทั้งนั้นผมเชื่อถ้าไพิฉะนั้นก็คงไม่ถูกคัดเลือกตัวมาทํางานนี้หรอกแต่ขอถามหน่อยว่าพวกคุณทุกคนเคยเดินป่ากันมาเท่าไหร่แล้วบ้างก็คงไม่ได้หนึ่งในหมื่นของคุณกระมังนั่นแหละคําตอบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉสังเกตมาตลอดเวลาแล้ว เบลพูดอย่างอยากรู้จริงๆมีอาการขบขันในความรู้สึกของตนเองไปพร้อมกันด้วยมันหมายถึงว่าเห็นขาคุณก็ก้าวเดินออกไปธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ทำไมถึงไปเร็วสามารถทิ้งห่างเราออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยคุณเดินแต่เราต้องออกแรงวิ่งถึงจะทันกันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้คุณช่วยอธิบายให้หายสงสัยทีเถอะเอาอยางนี้ดีกว่า ถ้าคุณอ้างว่าสังเกตก็ขอให้สังเกตต่อไปด้วยถ้าผมเริ่มทิ้งห่างผู้คุณออกไปเมื่อไหร่ก็แปลว่าอัตราการซอยเท้าของเราแตกต่างกันแล้วพวกคุณ9ก้าหนึ่งเกผมก้าไปแล้วอย่างน้อยสองก้ากำลังขาผมอยู่ตัวกำลังขาพวกคุณพอเดินไปมากๆกก็เริ่มอ่อนล้าลงเพราะความเคยชินไม่เท่ากันตอบแค่นี้ QED ได้แล้วหรือยัง พระใหญ่บอกมาอย่างรำคาญใจแต่ก็ขันขันเช่นกันในความสงสัยไม่เข้าเรื่องของแม่ผมแดงเหรอเอ๊ะแต่เท่าที่ฉันพอจะรู้มาคุณมีอาคมเหมือนพ่อมดไม่ใช่หรือเวลาเดินป่าคือสามารถใช้มนมืดอิทธิฤทธิย่นระยะทางเข้ามาได้ก้าวไปก้าวเดียวก็บรเหมือนพวกเราก้าวกันไป5 9งก้าวนันแหละบ้าบ้าจริงๆคุณไปเอาความคิดประหลาดๆอย่างนี้มาจากไหนนะ เขาร้องออกมาเบาๆอิซาเบลอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้เพราะขันตัวเองอยู่เหมือนกันลอนบอกไปตามตรงโดยไม่ถือเป็นเรื่องสนใจจริงจังอะไรนะักจันเป็นคนบอกฉันและพวกเราทุกคนส่วนบุญคำเป็นคนยืนยันสนับสนุนเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงจันถึงบอกคุณอย่างนั้นรพินถามต่ำๆก็ฉันเปลยขึ้นมาถึงความสงสัยในข้อนี้ทีแรกก็คุยกับบุญคานั่นแหละ แล้วแกก็เรียกจันมาให้อธิบายให้ฟังจันร์ก็บอกหน้าตาเฉยอย่างนี้แหละฉันเลยชวนอาจารย์กับคิดให้เร่งกวดตามคุณขึ้นมาเพื่อที่จะขอถามให้รู้ชัดจะว่างโง่ก็ยอมละพระหใหญ่เพิ่งจะทราบความจริงถึงกับโคลงหัวไปมาจุปากเบาๆตักคำคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแกกะล่อนอยังไม่มีใครเทียบ หาเรื่องโกโหกพกลมอะไรมาหลอกเล่นได้อยู่ตลอดเวลาส่วนเจ้าจันนั่นกระล่อนเหมือนกันแต่เงียบเงียบคุณไปถามแบบนั้นสองคนนั่นก็เลยช่วยกันต้มเสียสุกไรสาราเสยจริงๆแต่ก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยที่สุดก็ยังช่วยให้พวกคุณคลายความเครียดลงได้บ้างลูกน้องผมแต่ละคนดูโง่โงเซ่อเซเ ง, งินเถอะแต่ความจริงแก่นกันทั้งนั้น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 เพื่อปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางเดินเท่านั้นคุณไม่ต้องมามองเราด้วยสายตาพิกลอย่างนั้นหรอกสแตนลีย์เป็นคนพูดพร้อมกับหัวเราะกรบเกลื่อนตรงข้ามกับเบลซึ่งหัวเราะลั่นออกมาอย่างสนุกสนานจริงๆนะรพินฉันรักนิสัยเจ้าลูกน้องแก่และหนุ่มของคุณทั้งสี่คนนั่นมากทุกคนล้วนมีอารมณ์ขันคลึกครื้นขี้เล่นน่ารักทั้งนั้นคุยด้วยแล้วสนุกดีมีเรื่องให้หัวเราะได้เสมอ ตัวคุณเองเสียอีกที่เคร่งครึมอยู่ตลอดเวลาแต่บอกตามตรงฉันออกจะเชื่อสองคนนั่นอยู่มากๆกเกี่ยวกับเรื่องที่คุณมีวิชาย่านระยะทางอันน่าจะเป็นมนมืดศาสตร์ลี้ลับอีกชนิดหนึ่งคุณจะไม่ยอมเปิดเผยก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้โต้ตอบหรือสาวความยาวอะไรอีกนอกจากเอาหลังมือขยี้จมูกแรง ขณะนั้นขบวนที่ตามหลังมาก็เคลื่อนเข้ามาทุกขณะในสภาพการเดินปกติจกนกระทั่งในที่สุดก็เดินตามมาทันทั้งคณะโดยมีเชิดวุฒิและคริสเดินเคียงคู่กันมาด้านหน้าของกลุ่มลูกหาบอ้าวทำไมหยุดกันตรงนั้นละ่ะทําไมถึงไม่เดินต่อไปเรื่อยๆเชิดวุฒส่งเสียงร้องถามเข้ามาก่อนอย่างสงสัยเพราะมองเห็นอยู่ตลอดเวลาในระยะสายตาว่าระหว่างที่รพินหยุดรอบุคคลทั้งสามที่กวด ตามหลังขึ้นมานั้นจนกระทั่งตามทันแล้วก็ยังไม่มีอาการออกเคลื่อนหน้ากันต่อไปเลยกลายเป็นว่าหยุดพักรอให้ขบวนทั้งหมดตามมาจนถึงตำแหน่งนั้นพักหาเรืออะไรกับรพินหน่อยแล้วก็เลยถือโอกาสรอพวกเราทั้งหมดด้วยอเมริกันอาวุโสหัวหน้าคณะร้องตอบไปเรียบๆพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองเหล่านั้นเมื่อเดินผ่านมาถึงรพินก็ชี้มือออกไปทางขวา ให้มุ่งหน้าเดินต่อโดยไม่ต้องเสียเวลาหยุดรอส่วนตัวเขาเองยังคงยืนรวมกลุ่มอยู่กับคณะนายจ้างและอีกสองบุคคลที่เพิ่งจะมาสมทบคริสนั้นเมื่อมาถึงก็ตรงเข้าไปหาเบลมองหน้าเหมือนจะถามว่าทำไมไม่ลองให้รัพพินออกเดินแล้วติดตามฝีเท้าของเขาดูอย่างที่บอกไว้แต่แรกแต่ก็ไม่ได้เอ่ยเป็นวาจาออกมานอกจากยิ้มยิ้มพวกคุณทั้งหมดตามผมมาถึงตรงนี้ก็ดีแล้ว ในที่สุดภายหลังจากให้เชิดวุธและคริสได้พักขาประมาณ 4-5 นาทีพรานใหญ่ก็เอ่ยขึ้นถึงคริสจะไม่วิทยุสั่งให้ผมหยุดรอก่อนผมก็เจตนาที่จะหยุดรออยู่ตรงนี้เหมือนกันสิ่งที่พวกคุณควรคิดเกี่ยวกับเรื่องการเดินเร็วหรือเดินไปเพียงก้าหนึ่งแล้วพวกคุณจะต้องออกแรงเดินถึง19ก้านั้นไม่ใช่ผมหรอกครับแต่มันเป็นอะไรชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นปัญหามากกว่า น้ำเสียงของเขาเรื่อยๆเป็นปกติก็ตามแต่ประโยคที่พูดทําเอาทุกคนหันขวับมามองเป็นตาเดียวพูดให้ชัดซิคุณหมายถึงอะไรสแตนลีย์ถามเสียงสูงทุกคนตามผมมาทางนี้ครับยังไม่ต้องไปสนใจกับพวกลูกหาบของเราที่กำลังเดินไปนั่นหรอกประเดี๋ยวเราค่อยตามเข้าไปทีหลังปล่อยให้เข้าร่วงหน้าไปทางด้านนั้นก่อนพร้อมกับกล่าว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 เมื่อพ้นบริเวณดงโปรงนั้นเข้าไปทุกคนที่ตามเข้ามาก็ยืนนิ่งอยู่กับที่เลือดแทบจับเป็นก้อนแข็งจากสภาพที่สายตาแลไปพบเงียบเงันกันไปหมดตำแหน่งนั้นปรากฏ ร, รอยเท้าสัตว์อะไรชนิดหนึ่งเหยียบย่ำไว้ทำให้พื้นขังน้ำแต่แรกกลายเป็นปลักโคลนคลักภายในอนาเขตรูปวงรีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่น้าฝนที่ขังอยู่ในบริเวณลักษณะเหมือนแอ่งยังขุ่นข้น แสดงว่ามันเพิ่งจะไม่นานนี้เองและกระเซ็นน้ำโครนได้กระจายแผ่ในวงกว้างไปเปรอะเปียกต้นปรงที่ขึ้นแวดล้อมอยู่รอบปากแองทั่วๆไปเหมือนใครเอาสูบน้ำรถดับเพลิงมาสูบแล้วเป่าสาดขึ้นมารอยเท้าที่ประทับไว้ยังบริเวณเปียกอ่อนตำแหน่งที่เห็นได้อย่างสมบูรณ์และชัดเจนที่สุดและไม่ได้ถูกเหยียบย่าซ้อนทับกับรอยอื่น มีลักษณะเป็นรอยแบบเดียวกับรอยเท้าช้างป่าอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยมาอย่างดีแล้วนั่นเองมันผิดไปแต่เพียงว่าขนาดของรอยอันมีสันฐานกลมนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองเมตรหรือกว่าหกฟุตรพระเจ้าสแตนลีย์หลุดปากอุทานออกมาแผ่ววิวสีหน้าของเขายามนี้ปั้นยากที่สุดคีดนั้นยังยืนอ้าปากค้างตะลึง พูดอะไรไม่ออกอยู่เช่นนั้นนอกจากจ้องเขม็งตาเหลือกอยู่กับรอยเท้ามะหือมาอันปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นหลุมขนาดตัวเขาสามารถลงไปนอนเหยียดยาวได้อย่างสบายในความกว้างของมันเชิดวุฒยกมือขึ้นขยี้ตาเหมือนจะไม่เชื่อต่อสายตาที่มองเห็นร่องรอยเหล่านั้นเบลมีอาการเหมือนไขข้อเข่าจะหมดสิ้นไปแทบจะซุดล้มแปะลงไปกับพื้นด้วยความตกใจ คริสนั้นหรี่ตาลงเพ่งจับอยู่ที่รอยนั้นอย่างพิเคราะห์และออกเดินตรวจไปรอบๆ ร, รอยซึ่งมีลักษณะเป็นบอ่อวงกลมใช่ไหมคริสไอสิ่งที่มันเดินเร็วกว่ารพินไพรวันยังมีอยู่และอยู่ในหนทางข้างหน้าที่เรากําลังจะผ่านเข้าไปนี่แหละรอยเท้าขนาดนั้นลองคํานวณดูซิว่าเวลามันก้าวแต่ละก้าวจะมีระยะห่างกี่ล้าเส้นผ่าศูนย์กลางของเท้าแต่ละข้าง ก็เข้าไปร่วม2หลาแล้วเสียงรบพินถามขึ้นเบาๆท่ามกลางความเงียบนั้นคุณพบตั้งแต่เมื่อไหรน่นี่หัวหน้าคณะถามขึ้นโดยเร็วเหมือนคนสำลักน้ำก็ก่อนที่จะได้รับคำสั่งวิทยุจากคริสให้หยุดรอนั่นแหละครับผมเฉียดผ่านเข้ามาทางนี้มองเห็นอยู่ก่อนแล้วแต่ไปนั่งรออยู่ตรงโน้นและตะกี้ก็สั่งให้ลูกหาบเดินเปลี่ยนทิศไปเสียอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ผ่านพบมาเห็นที่นี่ ลักษณะคล้ายๆร้รอยช้างนะแต่ใหญ่กว่ามากเหลือเกินสแตนลีย์ครางออกมาแล้วร้องสั่งไปทางคริสผู้กำลังไต่ทางลาดลงไปสำรวจบริเวณที่มีรอยเหยียบย่ำอยู่สับสนเละเทอะไปหมดกะขนาดลำตัวและน้ำหนักได้ไหมจากรอยที่เห็นตัวที่ใหญ่ที่สุดประทับรอยเป็นหลุมอยู่บนพื้นบริเวณนี้น้ำหนักประมาณ2 0ถึงตันค่ะอาจารย์ ขนาดลําตัวหรือลักษณะบอกไม่ถูกรพินน่าจะให้รายละเอียดแก่เราได้มากกว่าที่เราจะคิดเอาเองแล้วคริสก็กวักมือเรียกแม่เพื่อนสาวผมแดงให้ไต่ทางลาดลงไปสำรวจร่วมกับหลอนเมื่อนั้นคิดและเชิดวุฒจึงเพิ่งตื่นจากตะลึงพางกันกระโดดตามลงไปทันทีกว่าสายตามองอย่างถี่ถ้วนไป ร, บรอบๆทำให้หัวหน้าคณะต้องตามลงไปด้วย คงมีแต่พรานใหญ่เท่านั้นที่ยืนสูบบุหรี่อยู่บนบริเวณโคกสูงเหนือปรักนั้นอยู่เงียบๆปล่อยให้ฝ่ายนายจ้างตรวจสอบร่องรอยกันเพื่อให้เห็นชัดจะแจ้งกับสายตาออกไปโดยเขายัางไม่ได้มีท่าทีหรือแสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นครู่ใหญ่ต่อมาสแตนลีย์ก็ร้องถามขึ้นว่ารอยที่เห็นอยู่นี่นานสักเท่าไหร่แล้วรพินไม่เกินสามชั่วโมงมานี่เองระหว่างที่เรายังพักกันอยู่ในแคมป์ ก่อนออกเดินทางทุกคนสดับกระแ ส, สเสียงของเขานั้นไม่มีวี่แววตื่นเต้นประหลาดใจใดๆเลยปกติธรรมดาที่สุดการจำนวนถูกไหมแล้วเป็นสัตว์ประเภทไหนไม่ต่ำกว่าสองตัวและอย่างมากก็ไม่เกินสี่ตัวอาจเป็นครอบครัวของมันก็สัตว์ประเภทช้างนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นบรรพบุรุษ ต, ต้นๆของช้างคริสคำนวณ น, น้าหนักได้ใกล้เคียงแล้ว ประมาณ25ตันสำหรับไอรอยที่ใหญ่เต็มที่กลุ่มนายจ้างและเชิดวุธพากันไต่แองที่ลุ่มซึ่งกลายเป็นปลักโครนขนาดใหญ่นั้นกลับมาที่จอ ม, มคุเทสอีกครั้งโดยเร็วทุกคนยังอยู่ในสภาพที่ยากจะควบคุมความรู้สึกได้แม้แต่คริสติน่าคุณหมายถึงพวกแมมมอสเงั้นหรือเบลถามโดยเร็วกระหืดกระหอบพรานใหญ่ซ่อนยิ้มสงบเยือกเย็นอยู่ในอาการเดิม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 ทุกคนอึ้งไปอีกมองหน้ากันไปมาไม่มีใครเป็นเพริออนโตโลยิสในหมู่พวกเราหรอกครับพินเวลพอจะมีความรู้ทางธรณีวิทยาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นพวกเรารู้สึกสับสนไปหมดแล้วจากรอยที่เห็นอยู่นี่เชื่อว่าคุณนั่นแหละจะต้องรู้ดีที่สุดกว่าพวกเราทุกคนนี่แปลว่าพวกมันออกมาจากดงข้างหน้าที่พวกเรากำลังจะบ่ายหน้าเข้าไปงั้นหรือสแตลีย์ถามละล่ำละลัก พระินก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งใช่ออกมาจากดงโน่นแหละแสดงให้เห็นว่าในดงดิบนั่นแล้งมาเป็นเวลานานและไม่มีแหล่งน้ําเลยพอฝนตกเมื่อใกล้รุ่งนี้มีน้ําขังอยู่ชายทุ่งเป็นแอ่งกว้างมันก็เลยออกมาเล่นน้ําแปลว่านายเคยพบเห็นมันมาก่อนคิดเพิ่งจะเอ๋ยออกมาได้เป็นคําแรกไม่บ่อยนักและไม่มากไม่ชุมอะไร ธรรมชาตินิสัยก็ไม่ดูร้ายเกินไปเพียงแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่าช้างป่าปกติเราสิบเท่าถ้าไม่จาเป็นจริ ง, รงๆเราก็จะไม่พยายามเผชิญหน้ากับมันพวกเราจะหมดโอกาสวิ่งหนีมันได้ทันเขาพูดด้วยอารมณ์ขันท่าทางแววตาตนกของทุกคนที่มุงแวดล้อมอยู่มันเป็นร่องรอยแห่งความหวังและโชคดีของเราในหลายๆด้านแล้วครับผมดีใจที่เห็นรอยเท้าของสัตว์โบราณประเภทนี้ฮะ นายว่ายังไงนะเห็นไอ้ช้างยักษ์เนี่ยนะรอยตีนใหญ่ยังกะโต๊ะบินเลี่ยนขนาดนี้นายกลับบอกว่าพวกเรากำลังโชคดีงั้นหรือคิดโวยลัานออกมาแล้วเอาไรเฟิลจุด4 5หตั้งกระบอกวางเทียบวัดลงไปตรงกลางจากผ่านท้ายจนถึงปลายปากลำกล้องยังสั้นกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรอยเท้าที่ปรากฏอยู่เสียอีกใช่โชคดีมากอย่างน้อยก็ข้อที่หนึ่ง เราพ้รัศมีนิทรานครออกบาได้แน่นอนแล้วข้อที่สองเรากำลังจะเดินผ่านดินแดนที่มนุษย์น้อยคนนักจะเคยได้ผ่านพบไม่ว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกชาติอันหมายถึงว่าเราได้มุ่งมาถูกทางแล้วดูลักษณะหินแต่ละก้อนลักษณะของพืชพันธุ์ที่ขึ้นให้เห็นอยู่นี้ถ้านายมีความรู้ในเรื่องโบราณชีวาศาสตร์และซากดึกดาบรร น, นายจะรู้สึกตัวได้ว่านาะบัดนี้ เราออกมาพ้นนอกโลกของภูมิศาสตร์ยุค ป, ปัจจุบันแล้วอย่างเด็ดขาดไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันอีกเลยคำพูดของเขาทำให้ทุกคนต้องเหลียวพิจารณาไปรอบๆตัวอีกครั้งด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูกเบลสกิดให้คริสมองไปที่ต้นปาล์มและปรงที่ขึ้นแวดล้อมอยู่รอบตัวอันมีลักษณะสวยงามอย่างประหลาดไปกว่าที่เคยพบเห็นรวมทั้งพันไม้ประเภทเครือเถาที่เกาะเกี่ยวห้อยระยะ และออกดอกสีสันฉูดฉาดตาราวกับจิตกรมาแต้มลวดลายไว้ด้วยผู้กันเชิดวุธอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งเบาๆใ น, นลำคอเมื่อมองไปเห็นมแมลงปอสีแสดตัวหนึ่งเกาะอยู่ตรงปลายยอดปร่งเตี้ยๆที่ห่างที่เขายืนอยู่ไม่มากนะักปีกเหมือนทำด้วยผ้าแพรของมันยาวแผ่ออกไปข้างละฟุตกว่า บัดนี้ฝ่ายในจ้างทุกคนเริ่มจะรู้สึกตนได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าสภาพภูมิประเทศแวดล้อมมันผิดแผกไปจากป่า ท, ที่พวกตนผ่านกันมาแล้วจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะของพืชพันธุ์ร่องรอยของสัตว์พื้นดินหรือลักษณะก้อนหินประดุดว่าได้หลุดพ้นออกมาจากโลกแห่งปัจจุบันการแล้วโดยสิ้นเชิงและยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวล่วงหน้า บรรยากาศ ร, รอบด้านมันอ้างว้างวิเวกอย่างไรก็สุดที่จะพรรณนาออกมาได้ในความรู้สึกของแต่ละคนยามนี้เมื่อต่างเพ่งตาจับไปยังมกุทเทพผู้นำทางผู้ยิ่งยงทั้งหมดเห็นเขายืนสงบนิ่งอยู่ขนาดจิตหนึ่งโดยยังไม่เอ่ยอันใดออกมาทั้งสิ้นพินิษ ด, ดูอยู่ที่ต้นปรงดึกดำบรรและพืชลักษณะประหลาดที่ขึ้นแวดล้อมอยู่รอบกายใกล้ๆตัว ตลอดจนรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ยักษ์ที่เขานำมาให้พบเห็นซึ่งภายหลังจากขึ้นจากปลักคโครนที่พวกมันลงไปแช่เล่นแล้วก็พากันเดินกลับเข้าไปสู่ดงที่เห็นเป็นทิวอยู่เบื้องหน้าอันเป็นคนละด้านกับที่เขาได้สั่งให้พวกลูกหาบเดินล่วงหน้าไปก่อนโดยเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าขบวนลูกหาบเหล่านั้นคงจะยังไม่สำเนีกซึ่งร่องรอยของเจ้าสัตว์มหือมาชุดนี้เพราะถูกสั่งให้เดินแยกไปคนละทาง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 เสียงแผ่วเหมือนกระซิบของอเมริกันอาวุโสดังขึ้นผมและพวกเราทุกคนมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะเราเดินป่าเปรี่ยวป่ากันดาลและป่าอันเต็มไปด้วยสารพัดอันตรายมาโดยตลอดแต่ไม่เคยมีความรู้สึกประหลาดเหมือนสภาพป่า ท, ที่เรายืนกันอยู่ณนะที่นี้เลยมันเหมือนกับว่าสแตนลีย์ขาดหางเสียงกลืนเข้าหายไปในลาคอเพียงแค่นั้น ผมอยากทราบเหมือนกันว่าพวกคุณมีความรู้สึกอย่างไรในขณะนี้พรานใหญ่ย้อนถามเขาสภาพหินดินและพืชตลอดจนลักษณะภูมิประเทศมันเหมือนกับภาพวาดของโลกย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า200ล้านปีงั้นแหละผู้ตอบคำถามของเขาคืออิสซาเบลผู้ตกอยู่ในอาการสะท้านเยือกอย่างไรพิกลผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นนักธรณีวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้เราทุกคนกําลังเหยียบย่างเข้าสู่โลกในยุคอดีตกาลแล้วซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะสามารถนำพวกเราเข้ามาถึงได้เป็นครั้งที่สองภายหลังจากที่ได้นำคณะนายจ้างคณะก่อนผ่านพบมาแล้วครั้งหนึ่งผมยิน ด, ดีมากที่ผมทําได้สำเร็จมันหมายถึงความสาเร็จในงานที่ผู้คุณต้องการอันจะติดตามมาเป็นลำดับด้วย บัดนี้พายับแดดดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปจากความสว่างจ้าของตะวันใกล้เที่ยงดูมันครึ้มสรัวอย่างไรพิกลระพินเลิกแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกาแล้วเหงื่อหน้าขึ้นไปอย่างท้องฟ้าเบื้องบนอันทําให้ทุกคนต้องมองตามเบื้องนาภาอากาศหมูม่เมฆก้อนน้าทึบดูจะลอยตัวเรียรต่ําเป็นกลุ่มก้อนลนักษณะต่างๆกันเหมือนกับว่าท้องฟ้าจะเป็นเพดานคลุมอยู่ไม่สูงขึ้นไปนะัก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 เมื่อเรากำลังอยู่ในยานอาวกาศที่ทะยานผ่านไปในกลุ่มกาแล็กซี่ั้นแหละคริสอุทานออกมาอย่างตื่นตระึงเฮ้ยบรรยากาศตลอดจนพื้นผูมิภาคมันผันแปรไปอย่างอาศัศจรรย์แล้วว่านี่พวกเราจะมีโอกาสกลับออกไปสู่โลกภายนอกได้อีกหรือเปล่านี่ราพินคิดร้องขึ้นอีกคนหนึ่งในขณะที่เชิดวุฒนนั้นยืนพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสงบสติอารมณ์มัน่น พระเจ้าเปิดทางเข้าให้เราแต่จะเปิดทางให้ผ่านออกหรือไม่ก็สุดแต่ความกรุณาของพระองค์เอาละต่อไปนี้ผมขอให้พวกเราทุกคนถวายสัจจะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติเพื่อสวัสดิภาพของพวกเราทั้งหมดทุกคนจะเต็มใจให้สัจจะและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดได้ไหมสัจจะอะไรวัวหน้าคณะและกลุ่มอเมริกันทุกคนถามขึ้นแทบเป็นเสียงเดียวกัน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 พวกผมทุกคนขอให้สัจจะข้อนี้แก่ฝ่ายคุณสแตนลีย์กล่าวหนักแน่นชัดเจนโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดใดๆทั้งสิน้นคิดอิซาเบลและคริสยกมือขึ้นในระดับไหลในท่าปฏิญาณข้อที่สองในเส้นทางข้างหน้าต่อไปนี้พวกคุณทุกคนจะต้องไม่เกิดความละโมบต่อสิ่งที่จะได้พบเห็นตามธรรมชาติตามพื้นผูมิภาคทางผ่านไม่ว่าจะเป็นแร่ธาต หรือสรรพสิ่งใดที่มีค่าจะต้องไม่แตะต้องหยิบฉวยติดตัวมาเป็นสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวทางด้านนำติดตัวไปเป็นที่ระลึกหรือเพื่อนำกลับไปเพื่อพิสูจน์ตรวจสอบใดๆทุกประการยกเว้นสมบัติของพวกคุณกันเองที่เรากำลังค้นหาอยู่เราขอปฏิญาณในเงื่อนไขขอร้องของคุณในข้อนี้อย่างเคร่งครัดที่สุดข้อที่สไม่ว่าสัตว์หรือพืช หรือกึ่งสัตว์กึ่งพืชชนิดใดก็ตามที่จะผ่านพบถ้าไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ว่าเป็นการป้องกันชีวิตหรือประทังชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงแล้วเราจะไม่ทำลายอย่างเด็ดขาดตกลงรพินเราให้สัญญาดีมากและผมขอเรียนให้ทุกคนทราบเสียเดี๋ยวนี้เลยว่าในดินแดนที่พวกคุณโชคดีผมต้องขอเรียกว่าโชคดีที่มีโอกาสล่วงล้ำเข้ามาถึงนี้ สัตว์อีกหลายๆชนิดนี้เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ผู้คุณจะคิดว่ามีหลงเหลืออยู่ในพิภพโลกมันมีทั้งอันตรายและไม่อันตรายเราจะใช้วิธีหลีกหลบมากกว่าการเผชิญหน้าเว้นแต่หลีกไม่ได้และจำเป็นจริงๆเราก็จะป้องกันตัวเฉพาะเท่าที่จำเป็นนี่พูดเตือนไว้ก่อนเท่านั้นเราอาจพบหรืออาจไม่พบมันเลยก็ได้แต่สาหรับทางด้านผม จะพยายามที่สุดเพื่อจะไม่ให้พบเห็นกับสัตว์ในยุคโลกล้านปีเหล่านี้ซึ่งผมก็ไม่อาจยืนยันได้ว่ามันเป็นสัตว์โลกที่มีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นด้วยอาถรรพ์ของโลกพิสดารในส่วนนี้และเมื่อพบเห็นก็ขอให้เข้าใจกันไว้ล่วงหน้าก่อนเลยว่าจะต้องไม่มีคําถามให้มากความจะต้องไม่หาบทพิสูจน์ให้เสียเวลาปวดสมองเอาเฉพาะว่าให้ผ่านพ้นจากมันไปให้ได้เท่านั้นเป็นพอ เข้าใจที่ผมพูดนี่ไหมครับพวกเราเข้าใจทุกคนก้มศีรษะรับตอบเป็นเสียงเดียวโดยไม่ต้องนัดแนะถ้างั้นได้เวลาแล้วครับเราตามพวกนั้นไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วขอความกรุณาเงียบๆเสียอย่าบอกให้คนของฝ่ายผมทราบว่าเราได้พบรอยอะไรเข้ากล่าวจบเขาก็พยักหน้าแล้วโอบไหลเชิดวุฒนาออกเดิน ออกจากบริเวณป่าปรงเหมือนปราบแห่งหนึ่งแกะรอยตามหลังพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบที่สั่งให้ล่วงหน้าไปก่อนทันทีกลุ่มนายจ้างอเมริกันก็เคลื่อนไหวตามมาติดๆคงไม่ต้องเตือนว่าให้ระวังตัวยิ่งกว่าเดิมและหมั่นสวดมนต์ภาวนาะระลึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว้ตลอดเวลานะครับเขากระซิบกับบุตรชายของท่านในพลผมไม่ยั่นและไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเมื่อยังมีพี่เป็นคนนาทางอยู่แบบนี้ เชิญวุฒิกระซิบตอบด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงและเด็ดเดี่ยวยิ่งชั่วไม่เกิน15้านาทีระพินกับคณะไหนจ้างก็เดินตามหลังคณะลูกหากับพรานพื้นเมืองมาทันในขณะที่คนพวกนั้นกำลังจะย่างเข้าสู่ชายดงทึบโดยยังเลี่ยงเดินขนานขอบดงเพื่อถ่วงเวลารอคำสั่งเขาอยู่ว่าจะให้เดินตัดเข้าบริเวณสวนไหนจันเกิดเสยคุมขบวนลูกหาพวกนั้นไป ส่วนระพินและฝ่ายนายจ้างซึ่งไม่ยอมทิ้งห่างพรานใหญ่ตามมาทันบุญคำซึ่งยืนรออยู่ที่ใต้ต้นปาล์มใหญ่อุดมไปด้วยซากไม้เก่าแก่ดำเมี่ยมที่ล้มระเกะ ร, ระกะอยู่ลำพังคนเดียวในมือถือกล้องสองทางกายของเขาที่มอบไว้ให้กำลังสองดูอะไรอย่างระมัดระวังทางด้านชายดงด้านตะวันออกซึ่งขึ้นหนาแน่นไปด้วยหมู่ไม้ ลักษณะของแกคงจะมาตั้งหลักอยู่ที่นี่นานแล้วสังเกตดูพวกลูกหาบทั้งหมดที่เดินพระห่างออกไปไกลจากตำแหน่งที่แกยืนอยู่พอสมควรเมื่อระพินก้าวเข้ามาถึงแกก็ลดกล้องแต่ตาเปล่ายังจับจ้องไปทางด้านนั้นด้วยสีหน้าไม่เป็นสุขนะักมีอะไรผิดปกติหรือบุญคำเขาถามช่วยกล้องมาจากมือแก แล้วยกขึ้นสองไปทางนั้นระหว่างที่ยังปรับเลนให้เข้ากับสายตาบุญคาก็บอกต่ําว่ากล้องนายมาหลอกตาบุญคำหรือเปล่าไม่รู้นะดูอยู่พักใหญ่แล้วไอ้ปลวกใต้ต้นไม้ริมๆโน้นรูปร่างมันพิกลอยู่รบพินปรับเลนกล้องเข้ากับสายตาแล้วจ้องนิ่งระยะห่างออกไปประมาณ600อเมตรลักษณะเหมือนก้อนหินหรือจอมปลูกจริงๆนั่นแหละ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 คือตัวมันโตกว่าช้างธรรมดาสักสิบเท่าไม่รู้จะใช่หรือเปล่าพราะบุญคำตั้งหลักดูอยู่นานแล้วไม่เห็นมันกระดุกกระดิกอะไรชนิดหนึ่งที่เหมือนกับจอมปลวกตามที่เป็นจุดสนใจของตาเท่าบุญคำขณะ น, นี้น่าจะเป็นก้อนหินหรือจอมปลวกจริงๆนั่นแหละถ้าไม่ใช่เพราะเลนในกล้องบังเอิญเห็นส่วนที่ควรจะเป็นใบหูแกวง่งกระดิกโบกวาดครั้งหนึ่งต่อมาก็ชูงวงขึ้นสูงร่อนไปมาช้ า, ชา คำนวณจากลำต้นของต้นไม้ใหญ่ที่มันยืนอยู่แม้ระยะไกลเกินขนาดกว่าครึ่งกิโลเมตรเขาก็กะได้โดยไม่ยากว่าจากพื้นจนถึงสันหลังของมันสูงไม่ต่ำกว่า12ฟุตห่างออกไปทางด้านซ้ายมือของมันไม่มากนักอีกตัวหนึ่งยืนยืงไปทางด้านหลังขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกับตัวย่อมซึ่งน่าจะเป็นลูกแต่ก็มีขนาดเท่าช้างพลายตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งทีเดียว ทั้งสามอยู่ในอาการสงบกลางดงไม้ที่มีสภาพโปร่งพอสมควรและลึกเข้าไปกว่านั้นในระหว่างลำต้นและพุ่มพงที่กำบังพรางตาอยู่ยังไม่อาจคเนได้ถูกว่าพวกมันจะมีอยู่อีกอกี่ตัวทวาไสามตัวนี่แน่ๆที่ลงไปละเลงเล่นอยู่ในปลักคโครนที่เขาเพิ่งจะพบร่องรอยมาหย ก, ยก ระหว่างที่รพินยังส่องกล้องพิจารณาท่าทีของพวกมันอยู่เชิดวุธและอเมริกันทั้งสีก้าวเข้ามาสมทบด้วยก็ใช้กล้องส่วนตัวตรวจสอบด้วยและไม่นานทั้งกลุ่มก็จับภาพได้ในเวลาไล่เรียกกันรับพินสแตนลีย์ออกเสียงร้องนามเข้าหนักๆไม่เป็นไรครับระยะมันห่างมากผมอยากจะให้พวกคุณเดินตามลูกหาไปก่อนผมจะลองดูทีท่ามันที่นี่สักครู่ ไดโนเทเรียมจริงๆด้วยตามที่คุณบอกนั่นแหละเบลร้องออกมาเบาๆอย่างตื่นเต้นในขณะที่คิดเชิร์ดวุฒและคริสยืนสองกล้องแทบไม่หายใจช้างอะไรวะนี่งาดัน ง, งอกจากใต้ปากล่างแล้วก็ตัวยังกับภูเขาแบบนี้ไรเฟิลจุด458ไม่มีทางหยุดมันได้หรอกเจอตัวจริงเข้าแล้วอย่างไงพันเอกแห่งอามีหลุดปากออกมาแทบฟังไม่ได้สับ ไม่ต้องห่วงไม่เหลือบากว่าแรงอะไรนักหรอกถ้าได้เป้าหมายกลางสมองก็ความันลงได้เหมือนกันทำตามที่สั่งดีกว่าพวกนายทั้งหมดตามพวกลูกหาไปฉันกับบุญคำจะเฝ้าคุมเชิงตรงนี้ให้ก่อนไปสิเร็วเข้าอย่าขัดคำสั่งยังเข้าใจกันดีอยู่แล้วสเตอรีลีฉุดแขนเบรลซึ่งความจริงก็ยังไม่แข็งแรงเต็มที่นักออกจำ้ำพรวดพรดตามหลังกลุ่มลูกหาไปในทันที ขณะเดียวกันคิดกับคริสติน่าก็เดินเลี่ยงไปตามคำสั่งของเขาก่อนที่จะแยกไปแม่ผมทองส่งระเบิดพลังอันมีอนุภาพรุนแรงอย่างที่เคยใช้เมื่อตอนผจนกับกองทัพหมาป่ายัดเยียดให้แก่เขาสองลูกบอกว่าถ้าคุณมีความจำเป็นโดยหยุดมันไม่ได้ด้วยไรเฟิลและมันพุ่งเข้ามาใกล้ตัวจงใช้ระเบิดเพลิงพวกนี้เป็นฉากไฟกั้นไว้ไม่ให้มันวิ่งชาร์จเข้าถึงตัว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 อย่างระอาใจจากนั้นก็ออกวิ่งตามหลังพักพวกไปในทันทีโดยไม่พูดอะไรอีกรพินหันมาไล่เชิดวุฒิอีกคนหนึ่งที่ยังยืนอยู่ใกล้ๆเขานายทหารหนุ่มอิดออดอยากจะอยู่ใกล้เขามากกว่าแต่คำขาดของรพินทำให้จำใจต้องปฏิบัติตามคำสั่งบัดนี้ณนะตำแหน่งนั้นจึงเหลือเขากับบุญคำเพียงสองคนเท่านั้นที่ยังยืนกันอยู่ที่เดิมเพื่อรอดูท่าทีของช้างยักษ์โข่งย่อย ที่เห็นอยู่นั่นว่ามันจะรู้เห็นหรือม่ปฏิกริยาเช่นไรหรือไม่ต่อกลุ่ ม, มนุษย์ตูจ้อยๆที่เดินเป็นขบวนอยู่กลางที่โลง่งใกล้ดงทึบห่างจากมันออกไปมากพอสมควรไอ้พวกนั้นรู้ตัวแล้วหรือยังว่ามีเจ้าสามตัวซุ่มอยู่ตรงโน้นข้อถามบุญคำขึ้นโดยหมายไปถึงเกิดเสยจันและพวกลูกหาบทั้งหลายบุญคาสันหัวมันยังไม่รู้กันรอกบุญคาไม่ได้บอก เพราะครั้งแรกก็ยังไม่ได้ใจหยุดยืนดูคนเดียวรอนายปล่อยให้พวกมันล่วงหน้าไปกันก่อนเอาอยัางไงดีละนายรพินยกรลองขึ้นจับจ้องสังเกตท่าทีของเจ้าช้างยักษ์โขงย่อมย่อมอันน่าจะเป็นลักษณะครอบครัวพ่อแม่และลูกสามตัวนั่นอยู่อึดใจใหญ่ความคิดพุ่งปราดไปถึงมาเรียฮอฟมันในทันทีในยุคนั้น ที่เขาพอจะรู้ประวัติที่มาและตระกูลของเจ้าบรรพบุรุษช้างประเภทนี้ก็เพราะความรู้ทางโบราณชีวศาสตร์ของมาเรียนั่นเองรวมทั้งแผ่นภาพแห่งการประจันหน้ากับโขงของมันจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดมันเป็นสัตว์ใหญ่โบราณประเภทแรกก่อนที่เขาจะนำคณะของเชิฐถาไปพบกับไอชนิดที่ดุร้ายและใหญ่ยักษ์ขึ้นไปทุกขณะการเดินทางย้อนกลับมาในครั้งนี้ของเขาจะต้องมาพบกับ เภศภายอันตรายแบบเก่าๆอยู่อีกหรือในเมื่อเที่ยวขากลับจากเทือกพระศิวะโดยเอาตัวนายชดประชากรและนานอินกลับมาได้นั้นไม่ได้ผ่านสัตว์ในแดนสนธยาเหมือนเที่ยวขาไปเลยแม้แต่สักตัวเดียวกลุ่มพวกมันยังชูงวงเหมือนจะค้นหากลิ่นไออะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยระบบขาหน้ประสาทที่ดีเยี่ยมแต่ก็ยังไม่ได้มีอากัปกิริยาท่าทีผิดปกติใดๆ เมื่อกวาดกล้องไปตามกลุ่มของลูกหาบที่พากันเดินท่อมๆเรียบชายดงและพวกนายจ้างซึ่งจ้ำอ้าวกวดตามหลังไปก็เห็นระยะเยื้องห่างออกไปมากแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือพื้นที่เป็นบริเวณที่โลง่งปราศจากมุมบางตาใดๆทั้งสิ้นทั้งห้าคนเดินจับกลุ่มกันไปอย่างเร่งรีบที่สุดแต่ก็ไม่ไว้ที่จะเลี้ยวกลับมามองที่เขาและบุญคาซึ่งยังปักหลักอยู่ณที่นั้นอย่างเป็นห่วง บุญคำเอานิ้วชุบน้ำลายในปากจนเปียกแล้วชูขึ้นเพื่อตรวจหาทางลมไม่ถึงอึดใจแกก็คลางออกมาตายหานายพวกเราที่เดินกันไปโน่นน่าจะอยู่เหนือทางลมของมันเสร็จแล้วรวมทั้งเราสองคนนี่ด้วยพรานใหญ่ลดกล้องลงเก็บเข้าไปเป้หลังทันทีแง้มลูกเลื่อนไรเฟิลในมือ กระสุนจุดนัดที่อยู่ใน ร, งรังเพลิงยังประจำเข้าที่อยู่ตามเดิมส่วนบุญคำยิ้มออกมาเหมือนลิงชิมแปนซีเมื่อก้มลงมองวินขนาดจุดสา h h ของแกซึ่งสำหรับสัตว์ในยุคดึกดำบันประเภทนั้นแล้วมันเปรียบแทบไม่ผิดอะไรกับไม้จิ้มฟันมีวิทยุอยู่ที่จันหรือพวกเราที่เดินนำหน้าไปโน่นบ้างไหมบุญคาเขาถามโดยเร็ว บุญคำสันหัวแล้วชูวิทยุประจำตัวของแก่ให้ดูไม่มีมีของบุญคำอยู่นี่เครื่องเดียวเท่านั้นไอ้พวกนั้นมีที่ไหนกันล้นนายหรือพวกนายห้างเขาไม่ได้ให้ไว้เลยไปตามหลังพวกนั้นไปดูนี้เชื่อว่าคงไม่มีอะไรหรอกเพราะระยะมันห่างมากต่อให้มันได้กลิ่นมันก็ไม่น่าจะตามหรือไล่หรอกเขาบอกแล้วเหนียวไหลบุญคำให้ออกเดินทันทีโดยก้าวตามหลังพับพวกไป บัดนี้คณะทั้งคณะจึงแบ่งออกเป็น3มส่วนเขาและบุญคำรังท้ายสุดเดินในลักษณะคอยจับตาสังเกตดูปฏิกิริยาของช้างโบราณพวกนั้นไปพลางอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหัวหน้าคณะอเมริกันคีธเบลและคริสซึ่งอยู่ตรงกลางแล้วพวกลูกหาบกับพรานพื้นเมืองของเขาอีกสามคนซึ่งพากันเดินไปอย่างปกติเพราะยังไม่ระคายอะไรทั้งสิ้น ระพินกับบุญคำเล่งฝีเท้าเต็มที่ลักษณะการเดินของเขากับบุญคำเป็นการเดินขวางเส้นทางระหว่างโขงย่อมๆของครอบครัวเจ้าช้างยักษ์อันหมายถึงว่าถ้าหากมันกระซากลิ่นและเกิดจะนึกเฮียนบ่ายหน้าจากชายโดงเข้ามาสํารวจกลิ่นแปลกปลอมก็จะต้องมีโอกาสเข้าถึงทางด้านเขาก่อนสําหรับกลุ่มของนายจ้างนั้นเมื่อเห็นทั้งเขาและบุญคำเริ่มเคลื่อนที่ตามหลังมา สแตนลีย์ก็วิทยุบอกให้เร่งติดตามมาโดยเร็วส่วนเขาก็บอกกลับไปให้พวกนั้นเร่งติดตามพวกลูกหาบไม่ให้คอยห่วงหลังอยู่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าฝ่ายมนุษย์อยู่เหนือทางลมเพราะเจ้าตัวใหญ่สองตัวเริ่มกลางหูผึงออกแล้วฉูงวงสูงขึ้นไปอีกร่อนสายไปมาอยู่ทางอากาศหันหน้ามาทางชายทุ่งจากนั้นก็หมุนตัวหันรีหันขวางไปเสียไปเข้าดงไอเพื่อนยาก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 เหมือนจะเป็นการโผล่ตัวออกมาสู่ริมทุ่งอย่างธรรมดาแต่ลักษณะที่มันยังชูงวงร่อนอยู่นั้นบ่งชัดว่ามันกำลังสูตรกลิ่นเพื่อหาความแน่ใจในกะไอลกลิ่นแปลกปลอมพระพินมันออกมาแล้วเสียงของหลายต่อหลายคนจากฝ่ายนายจ้าตะโกนกล้องประสานกันออกมาจากลำพงวิทยุในมือ ภาพที่เห็นทั้งห้าคนกำลังอยู่ในภาวะหมุนตัวชุลมุนกันอยู่กลางทุ่งแต่สินใจไม่ถูกว่าจะเล่นไปสมทบกับฝ่ายพวกลูกหาบหรือว่าจะวิ่งเข้ามาหาเขาหรือจะหยุดปักหลักอยู่กับที่ไปให้เร็วที่สุดไม่ต้องหยุดพรานใหญ่สั่งการเฉบขาดไปทางวิทยุแล้วตัวเขาเองก็ออกวิ่งสุดฝีเท้าโดยมีบุญคาควบปูเลงปเงตามหลัง ตรงเข้าไปหาซากต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งล้มขวางอยู่เบื้องหน้ายึดตำแหน่งลำต้นบริเวณหนึ่งซึ่งบัดนี้เป็นซากสีดำแกร่งราวมกับท่อนหินนอนผังภาพลงพาดไรเฟิลในท่านอนเตรียมยิงป่าก็สั่งการทางวิทยุต่อไปเร็วปรืออย่าชักช้าไม่ต้องห่วงทางนี้ถ้ามันบ่ายหน้าเข้ามาหาจะยิงสกัดไว้ให้อย่าหยุดอยู่กับที่ตามให้ทันพวกลูกหาบแล้วเตือนให้รู้ด้วย ทางด้านฝ่ายนายจ้างและเชิดวุธพากันออกวิ่งในทันทีอย่างสุดฝีเท้ายามนี้ทุกคนสามารถวิ่งได้รวดเร็วทำเวลาดีกว่าสภาพปกติมากนักแม้แต่เบลเองไม่มีใครหันหลังกลับมามองอีกเสียงเชิดพุตธโกนส่งความโวกเวกไปยังพวกพรานพื้นเมืองของรพินและพวกลูกหาบคนเหล่านั้นคงจะได้ยินเสียงจึงพากันหยุดชะงักและหันกลับมาภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันฟ้องชัดแล้วว่าอะไรเป็นอะไร พวกลูกหาบแตกคือรวนเรอย่างตกใจอยู่ครู่หนึ่งทิ้งข้าวของที่แบกหามอยู่ปลดปืนประจำตัวที่สภายอยู่กับไหลแล้วแตกกระจายกันออกราวกับพึ่งแตกครังเพราะมองเห็นภูเขาเคลื่อนที่ซึ่งกําลังดุมดุมตรงรี่เข้ามาแม้จะอยู่ในระยะไกลพวกนั้นก็สามารถคํานวณจากขนาดของมันได้ว่าใหญ่โตมโหูรานขนาดไหนซึ่งมันมองดูเหมือนภาพฝันหรือภาพลวงตา สิ่งที่ระพินกำหนดหมายไว้ว่าจะให้ทั้งหมดหลบเข้าไปในดงผิดพลาดไปหมดเพราะไม่อาจติดต่อรู้ความกันได้ในวินาทีฉุกละหุกเช่นนี้สำหรับเกิดเสยและจันนั้นโดยความสำนึกในหน้าที่และจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วจนเกิดความเคยชินทั้งสามคนแล่นสวนออกมารับหน้าสมทบกับกลุ่มนายจ้างที่แล่นเตลิดเข้าไปหาในทันทีกลายเป็นว่า ทั้งกลุ่มทุกคนส่วนใหญ่ขณะนี้กระจายกันอยู่เต็มท้องทุ่งไปหมดกลางที่โล่งปราศจากที่หลบหลีกกำบังเลยคงมีแต่เขาและบุญคำสองคนเท่านั้นที่นอนพาดปืนกับขอนไม้ใหญ่จ้องเล็งเตรียมพร้อมอยู่ครอบครัวของไอ้ช้างไดโนเสาร์เริ่มออกวิ่งหยอกๆแล้วพร้อมกับแผดเสียงสนั่นกกกล้องออกมาประสานการสนั่นไปทั้งท้องทุ่ง การปะหน้าเสียงแผดแปร้นของมันก็คือช้างเราดีๆนี่เองแต่ดังเหมือนเหมือนกับผ่านเครื่องขยายเสียงขนาด 5,000 วัตต์ออกมาฉะนั้นที่ฝ่ายมนุษย์ได้ยินเข้าก็แทบช็อกพากันทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะระพินสบทอะไรออกมาคำหนึ่งบัดนี้ผ่านท้ายไรเฟิลประทับซอกไหลเข้าแล้วค่อยๆกวาดตามการวิ่งเข้าไปยังกลุ่ ม, มนุษย์ที่กาลังยืนเกาะเกะกะอยู่กลางทุ่ง ระยะ500ถึง600เมตรนั้นอาจเป็นระยะไกลสำหรับมนุษย์หรือสัตว์ธรรมดาแต่สำหรับเจ้าตัวขนาดใหญ่ยักษ์และมีช่วงขาที่ยาวเป็นพิเศษตามตัวมันเช่นนี้แม้จะดูว่าเป็นการวิ่งหยอะ ก, ก็จริงแต่มันก็สามารถที่จะนำตัวให้เคลื่อนเข้ามาหาเป้าได้อย่างรวดเร็วเกินเชื่อทางด้านนายจ้างสตลี่ได้สติก่อนใครทั้งสิน้นตะโกนสั่งการลั่นกระจายออกเป็นหน้ากระดานแล้วยิงทันที เมื่อมันเข้ามาในระยะ150เมตรเป็นอย่างใกล้ที่สุดคีดและเชิดวุธประทับรยเฟิลขนาดหนักวงเล็บแต่ก็เบาเหลือเกินสำหรับเจ้าช้างดึกดำบันชนิดนั้นขึ้นทันทีขยับลูกเลื่อนขึ้นสปริงเข็มแล้วเพ่นแยกออกจากกันคนละด้านสแตนลีย์นั้นยืนปักหลักอยู่ตรงกลางส่วนคริสติน่าและอิสซาเบลกระชากผ่านท้ายปืน M16 แบบคอมมนโดยาวออกมาเพื่อใช้ประทับไหล่ได้ และโดยไม่ได้ร้องเตือนอะไรกันเลยทั้งสองแหม่มสาวผลักสวิตบังคับการยิงไปอยู่ในจังหวะฟลูออโต้กะยิงรวออกไปทั้งชุดเลยจันเกิดและเสยห่อแนบออกไปคนละด้านเพื่อขยายแนวตั้งรับให้กว้างออกไปอีกแต่จะไม่ทำตัวเองให้ไปบังทางปืนของพักพวกคนใดคนของรพินเหล่านี้ร้วนมีสติและช่ำชองในงานปะทะแบบตะลุมบอลมาแล้วทั้งสิ้น เฉพาะพวกลูกหาภายใต้การนำของนายดาบเท่านั้นที่เงอะงะอนลมานกันอยู่อย่างน่าเกรงอันตรายว่าอาจจะทำปืนลั่นมาถูกพักพวกเดียวกันจนจันซึ่งเป็นผู้คุมสถานการณ์ทางด้านหลังสุดร้องสั่งการให้พวกนั้นเผ่นเอาตัวรอดไปก่อนไม่ต้องคำนึงถึงสัมภาระอะไรทั้งสิ้นโดยให้วิ่งหนีออกไปให้ห่างที่สุดโดยไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาร่วมช่วยยิงด้วยเพราะแต่ละคนอย่างเก่งก็ลูกซองแฝดซึ่งมันไร้ผลเต็มที อูทะกับพ้าโต้นั้นตกใจจนแทบสิ้นสติวิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตพวกลูกหาบทั้งหลายอีกสี่คู่รวมทั้งนายดาบอันเป็นหัวหน้าเกิดมาไม่เคยเห็นช้างตัวสูงใหญ่ขนาดยอดไม้และมีงาลักษณะประหลาดพากันตื่นตระหนกตัวสั่น ง, งันงกไปหมดคุมสติไม่ได้ไม่เคยมีครั้งใดที่คนเหล่านี้จะได้รับความตกใจกลัวเท่ากับสิ่งที่มองเห็นอยู่ในบัตรนี้ทั้งๆที่ ผ่านผจญกันมาอยู่ทุกรูปแบบของอันตรายแล้วและมันก็เป็นครั้งแรกที่รพินไพยวันไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ของคนใต้ความรับผิดชอบของเขาได้ประมาณ250เมตรที่พวกมันทั้ง3ตัวแล่นผ่านขอนไม้ที่รพินกับบุญคำนอนพาาไรเฟิลอยู่โดยพวกมันกำลังปรีตรงเข้าใส่กลุ่ ม, มนุษย์อันบัดนี้กระจายกันอยู่คนละทิศคนละทางเต็มทุ่งเขาร้องบอกบุญคำหนัก ยิงบุญคำคงวาดปืนยังไม่ได้เป้าหมายถนัดจอมพรานก็ปล่อยนัดแรกระเบิดเปรี้ยงออกไปแล้วก้องกระหึมไปทั้งท้องทุ่งและราวป่าเบื้องหลังออกไปเป้าหมายของเขาก็คือไอตัวใหญ่ที่นำหน้าสุดจุดหมายที่ต้องการคือตำแหน่งที่ตั้งของมันสมองซึ่งควรจะเป็นที่ขมับที่หันให้ทางปืนหัวกระสุนแล่นเข้ากระทบตามติดเสียงกัมปนาดมา ได้ยินทนัดทนีมันถูกข้อตรงไหนไม่ทราบได้แต่ขาทั้งสี่ที่กำลังวิ่งโ ย, ย่เยาะอยู่ถลาหลลื่นไปเบื้องหน้าแล้วเป๋เสียหลักไปเล็กน้อยเท่านั้นจังหวะ น, นี้เองจุดส5 7ห้าเจดของบุญคำก็โครมออกไปไล่เลี่ย ก, กับเขามันไม่ได้ผลอะไรนักนัดของบุญคำไปถูกหัวไหล่ของอีกตัวหนึ่งที่เล่นตามมาและหัวกระสุนคงไม่สามารถจะทะลวงผ่านกระดูกใหญ่ของโคนขา เจาะเข้าไปถึงอวัยวะภายในได้เพราะไอ้ตัวที่แทงมาเป็นตัวที่สองนั้นแล่นพ้นนําหน้าตัวแรกที่ระพินยิงออกไปพร้อมกับแผดเสียงร้องอกึกก้องในขณะที่ตัวแรกก็กําลังตั้งหลักเบี่ยงตัวพระพินกระชากปลอกกระสุนนัดแรกออกไปตั้งแต่บุญคําเปิดสักรารยิงไปแล้วพอตบก้านลูกเลื่อนลงเขาก็เลงอีกครั้งและจําเป็นจะต้องเลงเพราะระยะมันห่างไกลพอสมควรทีเดียว เป็นจังหวะที่มันล้ำแนวล้ำกล้องปืนเขาไปทางขวามือตูมหลังซอนเข้าหลังกกหูสังเกตได้จากกริยาที่หัวอันใหญ่โตของมันที่มงุดไปเบื้องหน้าและพอตูมสามเข่าหน้าทั้งสองของมันซุบหวบลงไปทว่าก็แค่อึดใจเดียวมันก็หยัดกายขึ้นมาได้อีกส่วนตัวที่สองนั้นแล่นพุ่งเข้าไปหาฝ่ายนายจ้างทั้งหลายแล้ว